เมื่อท่านอุปติตะและโกลิตะได้อุปสมบทแล้วเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายนิยมเรียกท่านว่าสารีบุตรและโมคขลานะแม้พระตถาคตเจ้าเองก็ตรัสเรียกอย่างนั้นเหมือนกันนามอุปติสตะและโกลิตะได้หายไปพร้อมกับการอุปสมบทของท่านทั้งสองพระโมคขลานะเมื่ออุปสมบทแล้วได้เจ็ดวัน ไปทำความเพียนอยู่ณใกล้หมู่บ้านกาลวาละมุตคามถูกความง่วงครอบงำไม่อาจให้ความเพียนดำเนินไปตามปกติได้เพระาะศาสดาเสด็จไปณที่นั้นทรงแสดงอุบายสำหรับแก้ ง, ง่วงเช่นเมื่อความง่วงครอบงำให้เอาใจใส่ใครครวญถึงธรรมที่ได้ฟังแล้วได้ศึกษามาแล้วถ้ายังไม่หายง่วงควรสาธยายธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว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 ตั้งใจจะลุกขึ้นทันทีเมื่อรู้สึกตัวครั้งแรกด้วยมโนสิกา์ว่าเราจักไม่สแสวงหาความสุขจากการนอนจากการเอนหลังจากการเคลิมหลับดูก่อนโมัลลานะพระศาสดาตรัสต่อไปอีกอย่างหนึ่งเธอควรสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจักไม่ชูงวงคือถือตัวทนงตนเข้าไปสู่ตรรกูลเพราะ ถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเธอจะร้อนใจเป็นอันมากบางครั้งบางคราวคฤหัีทั้งหลายเป็นผู้มีกิตมากมีทุระมากอาจไม่ได้นึกถึงภิกษุผู้เข้าสู่ตระกูลภิกษุผู้ชูงวงอาจคิดมากว่าบัดนี้ใครหนอยุยงให้เราแตกจากตระกนนูลนี้มนุษย์พวกนี้จึงมีอาการห่างเหินเรามีอาการอิจฉาระอาใจต่อเราเมื่อไม่ได้อะไรๆจากตระกูลนั้น ก็เก้อเขินครั้นเก้อเขินก็เกิดความคิดฟุ้งซ่านไม่สํารวมเมื่อไม่สํารวมจิตก็จะห่างจากสมาธิโมฆะลานะอีกอย่างหนึง่งเธอควรสําเนียกว่าเราจับไม่พูดคําอันเป็นเหตุให้ต้องเถียงกันถือผิดต่อกันเพราะเมื่อมีถ้อยคําทํานองนี้ก็จะต้องพูดมากเมื่อพูดมากก็เกิดความฟุ้งซ่านครั้นฟุ้งซ่านก็จะเกิดการไม่สํารวม เมื่อไม่สำรวมจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิโมคลานะอีกอย่างหนึ่งเราไม่สรรเสริญการคุกคลีด้วยหมู่ชนทั้งขรุขระและบรรพชิตแต่เราสรรเสริญการอยู่ในเสนาสะนะอันสงัดควรเป็นที่หลีกเล่นอยู่ตามสมณวิสัย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 เห็นความสำคัญของผู้อื่นเรามีชีวิตอยู่ด้วยความสำคัญของผู้อื่นทิฏฐิมานะจะได้ลดลงการถ่มตัวจะเพิ่มขึ้นแทนที่จะเสียหายกลายเป็นคนหน้าเคารพกราบไหว้ส่อให้เห็นคุณธรรมภายในดูเถิดพระดาดูส้มที่มีผลดกกิ่งยอ่อมโน้มน้อมลงข้าวรวงใดเม็ดเต็มรวงยอ่อมโน้มลง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 ล้มหายใจและยาแก้โรคล้วนแต่สําคัญกว่าบุคคลนั้นทั้งสิ้นเพราะเขาต้องอาศัยมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันขาดไม่ได้แม้คนที่ได้ประสบความสาเร็จในการงานด้านใดด้านหนึ่งก็หาสาเร็จไปคนเดียวได้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นมากมายจรณนยไม่หมดสิ้นอยาทนงตนไปเลยในประการต่อมาพระาศาสดาทรงประธานพระพุทธวาด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 ด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรภิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จอย่างยิ่งกเกษมจากโยคะธรรมอย่างยิ่งเป็นพรหมจารีบุคคลอย่างยิ่งพระเสดิฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระศาสดาตรัสตอบว่าโมคลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นครั้นได้สดับดังนี้แล้ว เธอทราบทำทั้งปวงชัดด้วยปัญญายิ่งครั้งทราบทำทั้งปวงชัดอย่างนี้แล้วย่อมกําหนดรู้ทำทั้งปวงครั้งกําหนดรู้ทำทั้งปวงดังนี้แล้วเธอได้ประสบเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุข ก, ก็ดีทุกก็ดีไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุข ก, ก็ดีย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเมื่อเป็นดังนี้เธอย่อมมีปัญญาในทางเบื่อหน่ายในทางดับ